วันนี้เป็นวันพระแรม8ดค่ำเดือน4แต่ตามไม่จริงเป็นเดือนหนะ้าแต่เพราะว่าปีนี้เป็น8ปดสองหนก็เลยจัดว่าเป็นเดือนสี่ยนมาอีกเดือนหนึ่งเพราะนั้นวันนี้จึงเป็นวันแรม8ปดค่ำเดือนสปี2550เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันหนึ่ง แต่วันนี้รู้สึกว่ามีญาติโยมต่างถิ่นหลายๆประเทศแล้วก็มีญาติโยมก็มีหลายมาจากต่างจังหวัดถ้าจะว่าไปแล้ววันนี้วัดคลรอเป็นวัดอินเตอร์ว่างั้นแต่มีทั้งอเมริกามีทั้งอังกฤษมีทั้งเยอรมันมีทั้งไต้หวัน แต่ถึงยังไงก็ตามทุกชาติทุกภาษาถามดูแล้วก็ต้องการความสุขเกลียดทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแต่จะทำยังไงจึงจะหนีจากทุกไปได้อันนี้ก็ต่างคนต่างสสแสวงหาต่างคนก็ต่างนขนไววย ในการส่แสวงหาความสุขที่อย่างทํำยังไงจึงจะพ้นจากทุกตะทํำยังไงจึงจะหนีจากทุกได้ทํำยังไงจึงจะหาความสุขที่แท้จริงได้ความสุขที่แท้จริงของมนุษย์ชาตินั้นคืออะไรต่างคนก็ต่างส่อแสวงหาความสุขที่แท้จริงต่างคนก็ต่างค้นคว้าต่างคนก็ต่างส่องแสวงต่างคนก็ต่างหมุนไปคนละทิศละทางกัน บางคนก็คิดว่าการสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาตามใจตัวเองนั่นแหละคือความสุขแต่ผลที่สุดก็ม้วนเสือลงเหมือนกันหาความสุขไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นมันจะทุกเล่นงานเมื่อปลายมือมันจะหาความสุขไม่ได้ใจของเราจดละทมทุกเมื่อปลายมือแต่เราสแสวงหาทรัพย์สมบัติให้ล่ำรวยขึ้นมาคิดว่าจะมีความสุขผลที่สุดก็ ล้างมือเหมือนกันแบมือเหมือนกันไม่สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านั้นไปกับตัวของเราได้ใครคิดว่าจะพยายามตกแต่งดูแลดูแลร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้ขาดตกบกพร่องนั่นนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงผลที่สุดความแก่ความเจ็บความตายก็เข้ามาถึงก็ไม่ใช่หาสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ไม่ได้หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ พราะนั้นต่างคนก็ต่างส่อแสวงหาพอประทังชีวิตของเราต่างคนก็ต่างหาขนขวายตามความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มแต่ละคณะแต่ละประเทศชาติในยุคสมัยนั้นๆมีการคนา้นคว้าขนขวายกันมาตามลําดับจนมีพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกพระพุทธเจ้าท่านก็คงจะมีความคิดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกัน ในยุคสมัยนั้นไม่แพ้กันเพราะว่าเป็นมนุษย์ชาติต้องการความสุขเกลียดทุกเหมือนกันแต่ว่าการส่องแสวงหาความสุขนั้นเราจะหาด้วยวิธีการอย่างไรไอ้ น, นี่ก็ต่างคนต่างค้นคว้าอย่างที่ได้กล่าวมาเพราะฉะนั้นมาถึงยุคนี้หลวงพ่อเองก็คิดว่ามนุษย์ชาติของเราก็เป็นดวงใจอันเดียวกัน คงจะเกลียดทุกต้องการความสุขเข้าสู่จิตใจเหมือนกันแต่ว่าการสดแสวงหาความสุขของมนุษยชาติหรือว่าความสุขที่แท้จริงนั้นต่างคนก็ต่างตะเกยียดตะกายไปคนละทิศทางอย่างที่ได้กล่าวเหมือนกันเพราะนั้นถ้าว่าเราได้ยึดแนวแถวหลักที่พระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านได้วางศาสนาเอาไว้เมื่อสองพกว่าปี ถ้าเรานำพระธรรมคาสั่งสอนนั้นมาวิเคราะห์มาปัดฝนมาไขาควรพบทวนมาพิจารณาดูด้วยเหตุด้วยผลแล้วพวกเราท่านทั้งหลายจะเห็นช่องทางที่จะเดินไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางที่ว่าจะหนีจากทุกนั้นจะหนีด้วยวิธีการอย่างไรพวกเราจะรู้เห็นแนวทางได้ ถ้านอกจากพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมองไม่เห็นทางอื่นที่จะเดินไปสู่จุดมุ่งหมายมุ่งไปถู่จุดมุ่งหมายคือว่าจุดความสุขที่แท้จริงได้เพราะว่าเราจะมุ่งหวังทางโลกก็ยังที่กล่าวมาถึงจะมีทรัพย์สมบัติถึงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บประจํากาย ถึงจะมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงถึงจะมียศถาบรรดาศักอย่างไรก็าตามสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่จอมปลอมไว้ในโลกนี้ทางนั้นไม่สามารถที่จะนำความสุขแท้จริงเข้าสู่จิตใจของเราได้ถึงจะมีความสุขอย่างนั้นก็จริงทุกแข น, แนงทั้งลาบทั้งยศทั้งสรรเสริญทั้งสุขอยู่ในโลกแต่ส่วนใจส่วนลึกของหัวใจของแต่ละท่านเหล่านั้นแล้ว เรายังหวัดผวาอย่งางหวัดวันอยู่เพราะเหตุไรเพราะความแก่ความเจ็บความตายรอพวกเราอยู่ไม่ให้พวกเราหวาัดผาวาได้ยังไงเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นมาหันตะไยที่จะบันทอนร่างกายของเราจิตใจของเรามองเห็นได้อยู่บางคนก็ไม่อยากจะคิดถึงอีกต่างหากเพราะว่าคิดถึงแล้วมัน ไม่มีทางที่จะหลีกเลีนหนีไปทางอื่นได้มันปิดตันอั้นตู้จริงๆถ้าคิดถึงความตายแล้วไม่อยากจะคิดถึงแล้วก็ไม่อยากจะพูดถึงอีกถ้าใครปารบหรือพูดถึงถึงสิ่งที่ความตายแล้วแปลว่าไม่เป็นที่จเจริญใจพูดได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านี้ก็คือโลกทั้งโลกเป็นมาอย่างนี้ แต่ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้และลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอทุกลมหายใจเข้าออกนี่มันตรงกันข้ามอีกนะให้ว่าก่อนที่จะถึงจุดนั้นได้พวกเราต้องเตรียมพร้อมว่าเราจะเตรียมอะไรบ้างที่จะไม่สะทกสะทานไม่หวั่นไหวในเมื่อเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับตัวของเราเองเราไม่ต้องพูดถึงใครอื่นพูดถึงแต่ตัวของเราเนี่แหละเป็นอันดับแรกถึงใครอื่นก็เป็นเรื่องของคนอื่นเป็นท่านของผู้อื่นไป แต่อันดับแรกเราต้องดูตัวเราก่อนเอาตัวรอดเช่ก่อนแต่ถ้าว่าขนาดตัวเองก็ยังเอาตัวไม่รอดแล้วจะไปแบกคนอื่นไปหามคนอื่นไปลากไปทูคนอื่นจะเป็นได้ยังไงเหมือนกับคนตกน้าตัวเองก็ยังไม่รอดอยู่แล้วจะไปแบกคนอื่นขึ้นมาจากน้ำเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นต้องดูตัวเองก่อนว่าเราจะเอาอยัางไงตัวให้รอดเราจะพิจารณายัางไงจะทำยังไงในตัวให้รอดเหล่านั้น อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่เป็นพุทธบริษัท4ี่ของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนอย่างไรที่ท่านได้ตัดสั้ธรรมที่ท่านได้แนะนําสั่งสอนมาโดยลําดับทีนี้มาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเป็นอยู่ซะก่อนเพราะเรามนุษย์ชาติเกิดมาในโลกต้องอาศัยการอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันนั้นพระพุทธเจ้าวางกฎเกณฑ์อย่างไรให้พวกเราประพฤติปฏิบัติ อันดับแรกก็คือทานะสําหรับคาวาตทานะคือการทานแต่พวกเราท่านทั้งหลายพอได้ยินว่าคําว่าทานเปการเสียสละพวกเราก็แปร่่ขึ้นมาในใจว่าเราหาสิ่งของเงินคําทรัพย์สมบัติด้วยความทุกข์ยากลาบากแต่เราทําไมจึงเสียสละให้คนแบบโง่ๆ ง, ง่เราทําไมจึงให้คนแบบคนโง่ๆง่เราก็เสียเปียบเขาทั้งวันทั้งคืนพระพุทธศาสนาสอนให้คนเสียเปรียบมนุษย์ เราจะให้เขาทําไมเมื่อเราหาทรัพย์สมบัติมาโดยความยากลําบากแทบลูกตากระเด็นแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเป็นบางครั้งทําไมเราจึงเสียสละทําไมพระพุทธเจ้าจึงให้เสียสละคือทานะคือการเสียสละให้แก่ชุมชนและสังคมอันนี้ก็คือสวนทาง ก, กันกับพระพุทธเจ้าที่แนะนําสั่งสอนแต่ถ้าว่าพวกเราได้นําพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านว่าให้ทานะคือการเสียสละ ถ้าเรามาวิเคราะห์ด้วยดีแล้วฐานะของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์อย่างมหาศาลการอยู่ร่วมกันในมวลมนุษยชาติถ้าว่าไม่มีการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันแล้วมนุษยชาติจะอยู่ด้วยกันด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้โดยเด็ดขาดว่าต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันตั้งแต่เราเกิดมาแต่ที่แรกเราก็ต้องอาศัยพ่อแม่ของเราเป็นผู้ให้คือฐานะคือพ่อแม่ของเราเป็นผู้เสียสละ ตั้งแต่ให้น้ำนมตั้งแต่ให้ความอบอุ่นทุกสิ่งทุกอย่างเราได้รับความสงบเยือกเย็นด้วยวความเป็นสุขมาจากพ่อแม่คือการเสียสละของพ่อแม่ให้แก่เราอันนี้ท่านวจักวัดทานะเหมือนกันคือการให้ของพ่อแม่ให้บุตรธิดาในเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเราก็ต้องให้แก่คนอื่นเหมือนกัน มนุษยชาติที่จะอยู่ด้วยกันได้ก็ต้องมีการเสียสละมีการให้ให้พี่ให้น้องให้เพื่อนให้ฝูงให้กระทั่งอาหารหมาอาหารแมวอาหารสัตว์ดูแลการเสียสละให้อภัยทานให้อภัยให้เมื่อเขาทำผิดล่วงเกินเราเราก็ให้อภัยเขาเมื่อเราล่วงเกินเขาเราพูดการกระทำหรือว่การคิดของเราล่วงเกินเขา เขาก็ควรให้อภัยแก่เราต่างคนต่างให้อภัยก็ชึ่งกันละกันนะว่าให้อภัยทานอันนี้ก็คือการให้อภัยคือทานะเหมือนกันคือให้อภัยทานคือทานเหมือนกันทานะก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเสียสละมีอยู่หลายด้านคือทานะอันนี้คือการเสียสละทางโพคสมบัติน่คือการเป็นอยู่ร่างกายส่วนทางจิตใจก็คือให้อภัยทานะคือนามธรรม ให้อภัยทานคือนํามาทําคือการสงเคราะห์ทางธรรมะนี่กเป็นการทานะคือการให้ทำเป็นฐานให้ความรู้เป็นฐานการแนะนําสั่งสอนให้เขารู้จักการทํามาหาเลี้ยงชีพอันนี้เหล่านี้ก็คือการสงเคราะห์ความรู้ความฉลาดให้แก่ชุมชนและสังคมเพราะฉนั้นถ้าเราจะว่าไปแล้วทานะคํานี้เนี่ย มันเป็นสิ่งที่กว้างขวางเราจะไปมองแคบแคบเหมือนกับควักเงินจากกระเป๋าของเราให้แก่คนอื่นอันนั้นคือฐานะอย่างเดียวอันนั้นไม่ถูกต้องคือฐานะมันต้องกว้างขวางมันต้องคิดให้รอบขอบทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่ได้กล่าวมาการอยู่ร่วมกันการเอือ้อเฟื้อเอือ้ออารีต่อกันมีเมตตาต่อกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแนะนําสั่งสอนออในการวิธีออกจากโรคไัยไข้เก็บล้วนแล้วแต่เป็นฐานะวิทยาทานให้แก่ชุมชนและสังคมทั้งนั้น อันนี้ก็คือฐานะท่าจะว่าไปแล้วคือคนที่มีฐานะมีน้ําใจต่อชุมชนและสังคมที่หลวงพ่อเคยพูดเปรียบเทียบเหมือนกับต้นไม้ใหญ่มีดอกมีผลมีใบดกหนาเป็นที่อาศัยของส ร, รพสัตว์ทั้งหลายนกกาทั้งหลายกระรอกกระแตทั้งหลายสัตว์ทั้งหลา ย, ลายก็ได้พึ่งพาอาศัยดอกผลผลไม้ร่มเย็นเป็นสุข กับต้นไม้ใหญ่นั้นทางว่าต้นไม้ไม่มีดอกไม่มีผลต้นไม้แห้งไม่มีความเอื้อเฟื้อต่อใครมีแต่จะเอารัดเอาเปรียบคนแล้วคนจะไปเข้าไปพึ่งพาอาศัยต้นไม้ต้นนั้นได้อย่างไรเพราะว่าต้นไม้ตัว น, นั้นไม่มีคุณมีแต่โทษเผลอเผอกิ่งไม้แห้งหลนลงมาใส่หัวคนต่อหัวสัตว์อีกใครจะเข้าไปใกล้ อันนี้ก็เหมือนกันคนไม่มีฐานะคือคนไม่มีเสียสละคนไม่มีน้ําใจคนไม่มีความเมตตาเอื้อเฟือ้ออื้ออารีต่อมวลมนุษยชาติมนุษย์ชาติจะเข้าไปใกล้ได้ยังไงใครก็กลัวทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนพุทธบริษัทสีของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเน้นหนักเรื่องครวาญญาติโยมผู้เป็นผู้สาะแสวงหาทรัพย์เป็นผู้มีทรัพย์สมบัติท่านจึงให้มีฐานะ คือการเสียสละต่อมวลมนุษยชาติจากนั้นเราท่านพูดถึงศีระคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลจากนั้นกับภาวนาแต่สําหรับพระที่อยู่ในวงในเพราะท่านไม่ได้โสแสวงหาทรัพย์ท่านบวชเข้ามาแล้วก็เป็นผู้บําเพ็ญทางจตาิตภาวนารักษาศีนแล้วกับําเพ็ญภาวนาพิจารณาถึงความเกิดความเสื่อมของ ร่างกายจิตใจอันนั้นเป็นหน้าที่ของพระดังที่กล่าวมาเบื้องต้นว่าฐานะคือการเสียสละให้แก่มวลมนุษยชาติอันนั้นท่านพูดในฐานะที่เป็นญาติโยมแต่สําหรับพระแล้วก็มีคือการให้ทาเป็นทานการเสียสละการให้อภัยทานมีกับทุกคู่ทุกคนแต่ที่ศีระคือรักษากาย ว่าจะให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลสำหรับศีลของครวัตญาตโยมพระพระพุทธเจ้าเน้นเรื่องศีลห้าไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้ ข, มหขโมยทรัพย์ไม่ให้ประพฤติผิดในกรรมไม่ให้กล่าวพูดมุสาไม่ให้ดื่มสุราอันนี้คือศีลสำหรับครวัตญาตโยมก่อนที่พวกเราจะมีศีลมากไปได้ก็ต้องมีหนึ่งซะก่อน ก่อนที่จะดีทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ก็ต้องมีหนึ่งก่อนหนึ่งเป็นเบื้องต้นแล้วก็มีสองมีสมเหมือนกับเรามีเงินร้อยบาทถ้าว่าขาดบาทหนึ่งไปเงินร้อยนั้นก็ไม่ครบอันนี้ก็เหมือนกันศินที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขั้นเน้นหนักเรื่องศินห้าเป็นพื้นฐานสําหรับปูพื้นฐานสําหรับพุทธบริษัทสอย่างพระสงฆ์อย่างนี้ก็เหมือนกันศินสอยยี่สิบ ถ้าว่าขาดศีลห้าข้อเดียวศีลข้อที่หนึ่งข้อเดียวพระสงฆ์เ่านั้นก็ขาดศีลข้ออื่นไปด้วยเพราะว่าศีลพระภิกษุก็มีอยู่ในศีลห้า น, นี้คือว่าศีลห้า น, นี้เป็นศีลที่ตัดความชั่วตัดรากตัดโคนของความชั่วทั้งหลายทั้งปวงถ้าจะว่ายอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดเพราะว่าห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์อย่างนี้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีความหมายว่าอย่างไร พอนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้ศึกษาในศินของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมากับเพื่อพุทธบริษัทสีของพระองค์อยู่เบื้องต่ําเบื้องกลางเบื้องสูงเบื้องต่ําก็คือครวัตญาติโจมยังมีภาระธุระที่จะต้องสาะแสวงหาทรัพย์เลี้ยงชีพเพื่อตอนเองต่อ น, นั้นมาก็คือศินสมณเณรคื อ, อยังไม่พร้อมที่จะบวชเป็นพระยังไม่เป็นผู้ใหญ่ ยังเป็นสมเด็ก็ให้รักษาสินสิบไปก่อนส่วนพระก็คือให้รักษาศินสองี่สิบเพราะเป็นผู้สมบูรณ์ดีอยู่แล้วอันนี้ก็คือสินของพระสําหรับสินค่าววัดญาติโยมผู้ส่อแสวงหาทรัพย์ยังมีภาระธุระในการทําหน้าที่การงานรักษาสินห้านี่พอเหมาะพอดีไม่ทําให้เสียหายทําให้ชุมชนและสังคมการเป็นอยู่ อยู่ด้วยกันด้วยความสนิทใจอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเพราะว่าศีลคุ้มครองแต่ว่าพวกชุมชนใดก็ไดกลุ่มใดก็ได้ไดไดยดุคใดสมัยใดก็ตามถ้าขาดศีลธรรมมากๆในยุคนั้นสมัยนั้นก็จะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขได้ยากเพราะเหตุไรเพราะขาดศีลศีลของพระพุทธเจ้านเป็นศีลที่คุ้มครองโลกจริงๆอย่างพวกเราท่านทั้งหลาย ได้ศึกษาดูว่าสิลห้าของพระพุทธเจ้าข้อที่หนึ่งห้ามให้ฆ่าสัตว์ชีวิตของเราชีวิตของคนอื่นใครก็รักสงวนหัวแหนกันโดยกันทั้งนั้นชีวิตของเราไม่มีอะไรที่จะแพงหัวแหนยิ่งกว่าชีวิตถึงเงินคําทรัพย์สมบัติจะหมดไปก็าตามเขาจะยึดเอาหมดทุกอย่างก็าตามแต่ขอชีวิตเอาไว้ตัวเองหนีออกไปและหวังเอาดาบหน้าเท่าอีกตัวเองไม่ตายก็คงจะสะแสวงหาทรัพย์ได้ ต่ถ้าว่าชีวิตขาดไปแล้วแปลว่าหมดทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะมีเงินคําทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลก็ไม่มีความหมายกับดวงชีวิตหรือดวงใจของคนนั้นกับคนคนนั้นที่ตายไปแล้วเพราะนั้นชีวิตเป็นสิ่งที่สงวนห่วงแหนที่สุดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าชีวิตของมนุษย์ชีวิตของไข่ข้ตามมีคุณค่าพระพุทธองค์จึงบัญญัติใสิ่งข้อที่หนึ่งอย่าฆ่าสัตว์อย่าฆ่ากันอย่าฆ่าคนอย่าฆ่าสัตว์ สัตว์ก็เหมือนกันที่เรามองเห็นแล้วมันพูดไม่ได้ท่านเองความกลัวตายของมันนั้นกลัวตายกันเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราเห็นสิหมามาใกล้ๆเราเงืองาค้อนคือหมาจะตีมันหรือว่าตีมันแล้วมันร้องเจ็บควรคางขนาดไหนแต่มันพูดเป็นภาษาคนไม่ได้เท่านั้นเองว่ามันเจ็บขนาดไหนดูสายตาดูแววตามันก็ได้มันมีความรู้สึกอย่างไรในขณะที่เราทุบเราตีมัน มนุษย์ก็เหมือนกันถ้าเราทําอย่างนั้นขึ้นมาเอถึงจะปิดปากมันก็ตามแต่แววตาของมนุษย์ที่ปิดปากแล้วมันเขาจะมีความรู้สึกยังไงเมื่อเราไปฆ่าไปตีเขาเออหรือไปยิงเป้าเขาอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านมองอลไรอย่ากฆ่ากันห้าหมไม่ให้ฆ่าสัตว์ชีวิตของเขาขเขา ก, ขขากรักสงวนห่วงแหน็นถ้าชีวิตของเราเราก็รักเช่นเดียวกันไม่แพ้กันเพราะนั้นอย่าฆ่ากัน พ่อข้าแม่ข้าพี่ข้าน้องข้าลูกข้าเมียข้าวงศาคณาญาติของเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาฆ่าเราล่ะเราจะดีใจไหมเมื่อเขามาฆ่าพี่น้องพ่อแม่ของเราเราก็เช่นเดียวกันกับเขาไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาเพราะนั้นอันนี้แหละคือศีลศีลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้มีคุณค่าไหมถ้าเราคิดดูให้ดี มีแต่คนสายตาสั้นตนเองมองไม่เห็นคนอื่นเห็นแต่ตัวเองถ้าเห็นแต่ตัวเองแล้วมองไม่เห็นคนอื่นนะั่นแหะสินของพระพุทธเจ้าไม่มีคุณค่า อ, อไม่มีคุณค่าสําหรับคนโง่งคนนั้นแต่บัณฑิตนักปราชญ์แล้วจะมองเห็นคุณค่าของศีลธรรมที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้เพราะนั้นพวกเราที่มาศึกษาธรรมะให้ฟังเอาไว้ศึกษาเอาไว้จริงไหมที่พวกเราได้ยินได้ฟังที่หลวงพ่อได้พูดในวันนี้ หลวงพ่อเอาคําจริงมาพูดเอาหลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดไม่ใช่ความคิดของหลวงพ่อเองเพราะนั้นศินของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าหลวงพ่อเองคิดดูแล้วมีคุณค่าจริงๆมีประโยชน์จริงๆต่อชุมชนและสังคมต่อโลกถ้าใครประพฤติธปฏิบัติได้ถ้าศินข้อที่สองน่ะที่รองลงมาอธินาทานของสิ่งใดก็ตามที่ของเขาจะเป็นของใช้ของอะไรก็ตามเงินคําทรัพย์สมบัติรถ ล, ลา บัวควายช้างมาลูกเมียพันยาลูกหลานใครก็ตามถ้ามีคนมาขาโมยเอาไปเราดีใจไหมเราก็เสียใจเช่นเดียวกันกับคนอื่นเขาเมื่อเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจเช่นเดียวกับเราเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่สองว่าอย่าขาโมยกันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันอย่าไปคดไปโกงเขาอย่าไปขโมยของเขาอย่าไปเบียดบังเอาของเขา ถ้าพวกเราอยู่ในศินข้อที่สองแล้วโลกทั้งโลกจะสงบร่มเย็นเป็นสุขใหม่อันนี้ก็คือศินศิลข้อที่สามกาเมสุมิชฉาจาราเว ร, รมณีลูกเต้าเหลาหลานสามีพัญญาของใครเขาก็รักสงวนห่วงแหนถ้าเป็นของเราเราก็รักที่สุดคือลูกเมียสามีภัญญาลูกแต่คนอื่นของเขาล่ะเขาก็รักเช่นเดียวกันพ่อแม่ของเขาเขาก็รักสงวนห่วงแหนถ้าเราไปล่วงล้ำเขา ไม่เคารพสิทธิ์ของเขาไปล่วงอธิปไตยของเขาเขาจะเสียใจใหม่ทุกคนเขาเสียใจมาร่วงลํำเราเราก็เสียใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติสิทข้อที่สามถูกต้องไหมอันนี้ก็คงจะไม่มีใครที่จะปฏิเสธได้ถ้าพวกเรามองไกลเบนเสียแต่สายตาสั้นมองเลยเห็นแต่ความสุขของตนเองสุขประเดียวประดาเป็นความทุกข์ของใครฆ่าไม่สน อันนั้นแปลว่าเป็นมนุษย์ที่ออคิดสั้นเป็นมนุษย์ที่คิดแบบโง่โง่เป็นมนุษย์ที่ไม่รอบคอบเป็นมนุษย์ที่ไม่คิดไกลเพราะฉะนั้นเราต้องมองดูให้ดีว่าศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าถ้าเรามาวิเคราะห์ดูแล้วศีลข้อที่สมุสาวาถาเว ร, รมณีการโกหกคนอื่นเขาถ้าทุกคนเกิดมาแล้วโกหกกันไปหมดเป็นครูบาอาจารย์สอนวิชาอาชีพให้แก่ชุมชนและสังคม สอนแบบเอาตรงกันข้ามมาสอนสิ่งนี้มันดีอย่างนี้แต่กลับเอาสิ่งที่มันไม่เดียวมาสอนแนทนอทั้งที่มันจะเป็นอย่างนี้จะเป็นพิษเป็นภยัยกาปบอบมันไม่เป็นพิษเป็นภัยหรอก็อามาสอนอย่างนี้อแล้วกโกหกไปเรื่อยแล้วมนุษย์ชาติจะอยู่ด้วยกันจะร่มเย็นเป็นถูกได้อย่างไงต่างคนก็ต่างโกหกซึ่งกันและกันอทั้งที่อยู่ที่นั่นเป็นงูจงอางแนละมันกกไข่อยู่นั่นเออไม่มีอะไรหรอกไปทางโน่นละสะดวกดี ไปทางอื่นไม่ได้ไปตรงนั้นน่ะถ้าโกหกไปแล้วจะเปยังไงคนเดินไปกับจงอางฉกเอาตา ย, ลยแล้วเป็นยังไงเราว่าถือเป็นของสนุกไหมเรื่องการโกหกถ้าคนที่โกหกมันก็ไม่รู้อะไรแต่คนที่โดนโกหกนั้นมีความทุกข์ในจิตในใจเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายต้องคิดให้ดีนะเอเรื่องมุสานะ่ะไม่ใช่ของเล็กน้อย เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายมองดูสินของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงแล้วก็ข้อสุราเมระยะมัชับ ป, ประมาณการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะนั้นเรื่องสุราสามารถที่จะทำความชั่วได้เพราะคนขาดสติคนขาดสติสามารถที่จะทำความชั่วได้หลา ย, ลายอย่างในชาดกท่านถึงพูดขึ้นมาน่าคิดเหมือนกันบอกว่าพระเจ้าพลนีของราชสมบัติ มีลูกชายคนหัวปีแต่ว่าพระเจ้าพารณสีเนี่ยขาดเนื้อไม่ได้สุราเนี่ยพระเจาดื่มเป็นประจำจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นแต่ละวันแต่ว่าสุรากับอาหารเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นของคู่กันนะกับแก้มว่างั้นเพราะนั้นพระเจ้าพารณสีเนี่ยดื่มสุราเป็นประจาแต่วันนั้นเขาก็เลยเอาลูกชาย ตัวเล็กเล็กขึ้นมาพระเจ้าแผ่นดินก็ทั้งเมาเหล้าด้วยไม่รู้อะไรเป็นอะไรเอาขึ้นมานั่งพะเพราขึ้นนั่งตักเนี่ยของพระเจ้าแผ่นดินกระสนทนาอะไรไปเลยอ้อแอะไปเรื่อยเดีนี้พ่อครัวเขาเอาอาหารมาให้สําหรับกับข้าวมาพอพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าพารันนสีเห็นพระเจ้าพ ม, มาทัดเห็นอาหารสําหรับไม่มีของแก้มกับแก้มเลยไม่มีเนื้อเลยว่างั้น มีของอย่างอื่นก็เลยบอกว่าเอา้าทำไมพ่อครัวทำไมไม่เอาอาหารกลับแก่ไม่มีเหลือวันนี้มันมีแต่อาหารไม่ใช่ของผักอะไรทั้งหมดเน่ยพ่อครัวเขากระตอบว่าวันนี้เป็นวันพระประเจ้าค่ะเพราะเขาไม่ฆ่าสัตว์เลยไม่มีอาหารไม่มีเนื้อที่จะมาให้ทำสาหรับกลับข้าว เขาคงจะอยากจะให้เปลี่ยนเป็นอาหารอย่างอื่นน ะ, นะพ่อขัวแต่ทีนี้พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยกําลังเมาเหล้ากําลังอยากจะกินเนื้อกันก็เลยโมโหขึ้นมาเนื้อสําหรับสําหรับของเรายังขาดขนาดนี้เชียวเหลอทําไมไม่หาเนื้อให้ได้ไปเอาไปพ่อวาดนะก็ บ, บีบคอลูกชายตัวเองอยู่บนตักน ะ, น ะ, น ะ, นะพอบีบคอจะเวี้ยงให้พ่อขัวไปเอาไปทําอาหารเดียวนี่เร็ว เพราะตัวเองไม่รู้ว่าอันนั้นคืออะไรผลที่สุดพ่อครัวก็ไปทำเนื้อเด็กมาให้ลูกชายตัวเองมาให้พระเจ้าไป น, นินก็เห็นเอาเนื้ออาหารแล้วก็กิกนกินเนื้อลูกของตัวเองพอกินเสร็จแล้วก็ตกกลางคืนมาก็เข้าพักผ่อนนอนผลที่สุดไปตื่นเช้ามาพอสังเล่าขึ้นมาเลก็ถามอากมเหสีว่าลูกของเราอยู่ไหนลูก พระกรรมเฮสีเขาบอกว่าลูกจังไงท่านได้ฆ่าลูกตั้งแต่เมื่อวานเลยท่า น, นเมาเหล้านะเอยก็ได้ให้ลูกไปให้พวกครัวทําอาหารมากินแล้วนี่ลแหล อ, อพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าพระนาสีผมทัตเนี่ยก็ไม่รู้จะทํำยังไงเสียอกเสียใจอย่างมากเมื่อหายสาเมาแล้วตั้งแต่บัดนั้นมาท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานเลยท่เนเลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะงดสุราจะไม่ดื่มสุราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตลอดถึงข้าพเจ้าพ้นทุกในวัฏฏสงสารถึงพระนิพพานเป็นพระราหันข้าพเจ้าจะไม่ขอดื่มสุราอีกเป็นนิดเพราะข้าพเจ้าเห็นโทษอย่างสุดซึ้งในการดื่มสุราสามารถที่จะทำความชั่วใดทุกอย่างเพราะขาดสติอันนี้ก็เป็นมาในครั้งเก่าแก่เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ ศินข้อที่ห้าคือสุราสามารถที่จะทําความชั่วได้ทุกอย่างในสี่ข้อนั้นตั้งแต่ปาณาอาธินนากาเมมุสาสุราตั้งแต่มุสาคนที่ดื่มสุราขาดสติแล้วมุสาเนี่ยเร็วไม่มีปัญหาพูดรับได้หมดคาเมก็เหมือนกันไม่เคารพสิทธิของใครทั้งหมดเพราะมันขาดสติอธินาทานก็ได้เพราะว่าขาดสติ ฆ่าสัตว์ฆ่าใครก็ได้คนขาดสติอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นในสื่อต่างๆที่เขาพูดออกมาเดียเด๋ยวก็ลูกฆ่าพ่อเดี๋ยวก็พ่อฆ่าลูกใเพ่อเหตุอะไพราดื่มสุรานะสิ่งเหล่านี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วถือว่าศีลสําหรับพระสําหรับคารวะญาติโยมมีคุณค่าอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศีลห้าข้อให้แก่พุทธบริษัทของพระองค์ให้ศึกษา นี่แหละศินห้าประการแต่สําหรับสินสัมมาเนตคือสินสิบสําหรับสินของครวญอีกศินแปดนอกจากศินห้าแล้วก็คือศินแปดคือสินอุโบสถศินอย่างพวกเราในวันนี้เนี่ยไปรักษาศิลอุโบสถเพราะเป็นวันพระศินอุโบสถนั่นคือวิกาลโภชนาห้ามไม่ให้ทานอาหารในเวลาวิกาลเพราะเหตุไร พระพระเถรองบอกว่าคนเราเมันลุ่มหลงในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายเพราะนั้นตัดมันออกให้ทดลองตัดดูสิอย่าไปลุ่มหลงกับอายตนะเหล่านั้นตัดลิ้นเรื่องอาหารไม่ให้กินอาหารเป็นไงลิ้นมันติดในรถเป็นไงแล้วก็ตัดเสียงร้องรําขับร้องมัตเคีตวาธิตวิสู ไม่ฟังเสียงร้องลำทำเพลงตัดความรู้สึกทางหูออกคนบางทีมันติดทางหูถ้าว่าไม่ได้ฟังเสียงร้องลำทำเพลงขึ้นมามันนอนไม่หลับมันติด เ, ออเสียอกเสียใจง่อมเงาบางคนก็พอได้ยินเสียงร้องเสียงเพลงก็ติดในอารมณ์ที่ขอลองเพลงนั้นเป็นกิเลสราคะโทสะขึ้นมาอีกในใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ตัดความรู้สึกทางออทางหู ไม่ให้ได้ยินในสิ่งที่เป็นอย่างนั้นที่จะเป็นอันตรายอย่างนั้นคือไม่ฟังเสียงร้องรําทําเพลงเสียงดนตรีเสียงอะไรก็ตามที่จะทําให้จิตใจรุ่มหลงมัวเมาทะเยอทยานกับสิ่งเหล่านั้นให้ตัดออกอันนี้คือนัตจักขีมาลาคันธวิเลตัดทางจมกูกคือบางคนถ้าไม่ได้ดมกลิ่นไม่ได้อมีกลิ่นดอกไม้ของหอมเข้ามา จิตใจก็ทุกหลนทุลายเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นอีกแต่ตามไม่จริงมันจะเป็นทุกข์อะไรมากมายนักหนาตัวเองก็อีกสักวันหนึ่งเขาก็จะปิดจมูกของตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธ เ, เจ้าให้เห็นให้รู้เห็นตามความเป็นจริงสําหรับครวัตญาตโยมให้ดูกิเลสตัวมาลาคันทาวิเลคือปิดจมูกไม่เห็นดมกลิ่นของหอม อุจจารยสยนมมหาสยนาห้ามมาให้นอนที่นอนของใหญ่ยัดนุ่นแลสัมรีอันนี้ก็คือสินข้อที่แปดที่เก้าเพราะนั้นพวกเราให้ศึกษาดูให้ดีบางคนก็นอนติดที่นอนไปที่ไหนก็ไม่ได้เหมือนตัวเองจะไม่ตายอย่างนั้นแต่พอตัวเองตายแล้วเขายัดเขาไปในหีบลมเดี๋ยวเรายังเอาไฟเผาอีก เราต้องคิดดูให้ดีตลอดลอดฝั่งการเป็นอยู่พรพระพุทธเจ้าไม่ให้หลงติดอยู่ในโลกท่านจึงให้พิจารณาให้ศึกษาให้รักษาศีลสําหรับฆราวาสสรุปแล้วก็คือศีน 5, นะอหลห้านั่นคือศีลหลักศีลคุ้มครองโลกคือศีลหกศีลเจ็ศีลแศีลเก้น 6, 7, 8, 9, นะี่ยเป็นศีลที่ขัดเกลากิเลสให้ไม่ให้ลุ่มหลงมัวเมากับการเป็นอยู่ในวัฏสงสารจนเกินไปอันนี้คือศีลสําหรับฆราวาสญาติโยม สินของสมณเณรก็ไม่ให้หยึดติดเ อ, อชาติรูปรชาชิตะไม่ให้มีเงินและทองติดย่ามติดกระเป๋าติดตัวไปด้วยเพราะเราเป็นชีวิตนักบวชอยู่ปลาดงพงภัยถ้ามีเงินคําทรัพย์สมบัติไปด้วยเขาอาจจะถูกป้นถูกฆ่าถูกกี้ถูกอะไรหลาย ห, า ย, หายอย่างเพราะคนมีสมบัติก็เป็นที่เพ่งมองของคนทั้งหลายโจรผู้ร้ายทั้งหลายเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าเป็นนักพจนับวชไม่ให้มีในการเป็นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นะ อันนี้ก็คือศิลสัมภเอตสินสองร้ี่สิบของพร ะ, ะพระพวกเราองค์พิจารณาดูแล้วเหมาะสมสําหรับพระที่เป็นนักบวชเข้ามาบวชในพุทธศาสนาเป็นศากยบุตรพุทธชินรสเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วควรจะวางตัวอย่างไรพระพุทธเจ้าฉลาดมองดูแล้วท่านฉลาดบัญญัติสิกขาบทวินัยเป็นพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าเองเป็นความนําหลีและเป็นความ ครอบครอบของพระพุทธองค์เองอย่างที่พระพุทธองค์สอนเรายกเป็นสิกขาบทขึ้นมาไนอะ้อย่างสิกขาบทเสียงเสียคียวัตรอย่างนีน้ห้ามพิสูจไม่ให้แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้มีไม้พองในมือมีไม้พองคือมีไม้ในมือคนยังมีอารมณ์โกรธอยู่เราไปแสดงให้เขาทําให้เขาฟังอ้าอย่าไปตีเขานะหยุดจนะ้าทั้งที่มีไม้พองหนึ่งไปแสดงทําให้เขาฟัง เพอเพอก็ตีหัวเราอีกนี่เพราะพระพุทธเจ้าม่ให้แสดงนะให้เห็นเขาถือไม้พลองนะถือสัตราในมืออสัตราก็คือมีดอาวุธนะ่ะในมือของเขาเขาจะจะฆ่าคนอื่นจะไปทําท่าไปอวดดีแสดงทําให้เขาฟังเขาก็จะตัดคอตีหัวเราอีกฟันเราอีกเพราะพระพุทธเจ้าไม่ให้แสดงธรรมแก่คนมีสัตราในมือมีอาวุธในมือทุกอย่างอแสวมเคียงเท้าก็แสดงว่าไม่เคารพสวมรองเท้าไม่เคารพอ อย่างนี้เป็นต้นมีร่มในมืออย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าเขาอยากจะฟังเขาก็ต้องตั้งอกตั้งใจฟังจึงแสดงทําให้เขาฟังถ้าว่าเขาไม่ตั้งใจฟังเขาไม่อยากจะฟังจะไปพูดให้เขาฟังทําไมอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธร ร, รมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะลามปามเป็นลามปามด้วยธรรมะ<อ>น้ําลายฟุ้งไม่ใช่อย่างนั้นต้องมีผู้ตั้งใจฟังเสียก่อนจึงพูดให้เขาฟังอันนี้ก็คือ ถ้ว่าไม่ทําอย่างนั้นปรับศินของพระขาดเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อออกมาศิน227ข้อนะั้นบันทอนลงมาเรื่อยๆจะว่าตัวเองมีศิน227นะั้นไม่ใช่นะเหเผ้อเ อ, อาจจะมีสิน150บัง180บัง200บงังบางองนะเลยไม่ครบศินไม่ครบ227ข้อเพราะมันขาดไปแล้วมันจะว่าครบได้ยังไงเหมือนกับเงินในกระเป๋าของเราถ้ามันขาดบาทหนึ่งแล้วจะว่าขาด จะว่าเตรียมร้อยได้ยังไงเงินร้อยบาทอย่างนี้ถ้ามันขาดบาทหนึ่ง เ, เราจะว่าร้อยได้ยังไงอันนี้ก็เหมือนกันศินสองรี่สิบของพระนี่ถ้าขาดไปข้อหนึ่งแล้วจะว่าศินสองี่สิบสมบูรณ์ได้อย่างไรมันต้องขาดเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพระสงฆ์ก็พยายามสัมรวมกายวาจาของเราให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในศินให้อยู่ในพระวินัยของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติเอาไว้อันนี้แหะคือการอยู่ร่วมกัน ในกลุ่มในหมู่ในคณะถ้าว่าพระสงฆ์ที่มีศีลอยู่ด้วยกันก็ไม่มีการทรบบะเลาะเบาแวงกันมีความเห็นเป็นเอกฉันมีแนวความคิดเห็นเป็นอันเดียวกันเพราะว่าไม่มีทิฏฐิมานะแข่งแย่งกันฆราวาสญาติโยมก็เหมือนกันถ้าว่ามีศีลห้าคุ้มครองฆระวาสญาติโยมกลุ่มนั้นก็จะมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขเพราะไม่มีเรื่องที่จะขัดแย้งกัน ถึงจะขัดแย้งก็คือความเห็นนีนิดหน่อยก็ไม่สามารถที่จะฆ่ากันได้ไม่สามารถที่จะรังแกกันได้มีแต่ทิฏฐิมานะมีความเห็นสแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันอันนั้นเป็นของธรรมดาเรื่องทิฏฐิคือความเห็นนี้จะให้เห็นแบบเดียวกันทั้งหมดเป็นไปไม่ได้อันนี้แหะคือสรุปแล้วก็คือเรื่องฐานะและกับสีละส่วนภาวนาทาจิตให้สงบ อันนี้เป็นแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนลูกศิษย์ของพระ อ, องค์ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ธรรมในวันเดือนหกเพนที่โครนต้นโพนั้นพวกเราน่าจะนํามาวิเคราะห์นํามาคิดนํามาพิจารณานํามาไตร่ตรองเหตุและผลที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ในวันนั้นในวันเดือนหกเพนนั้นพระพุทธเจ้าตัดสรู้อะไร อันนี้เป็นหน้าที่ของพวกสารุษิ์ทั้งหลายจะต้องนำมาคิดในเมื่อเรานำมาคิดตรงปลายมืออย่างนี้อันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าต้นคิดที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้ธทำในวันนั้นน่ะพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้อะไรพระพุทธเจ้าทําอย่างไรอันนี้ก็อยู่ในพุทธประวัติอย่างสมบูรณ์ถ้าพวกเราได้ค้นคว้าศึกษาในแนวที่พระพุทธเจ้าพาดําเนินแล้วพระพุทธเจ้าบอกวะ่าตอนยัง ไม่ค่าในวันเดือนหกเพนพระอาทิตย์ยังไม่อัดสะดงนะอันนี้ท่านพูดถึงขนาดนั้นคือพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินของค่าของวันที่14คงจะเป็นอย่างนั้นกระมังสิบ่ค่ำเพราะวันวันลุกขึ้นเป็นสิบห้าค่ำแนละ้ท่านก็ได้ตัดสรูุ้ธรำคงจะเป็นวันที่ที่สิส่สิค่ำตอนเย็นพระอาทิตย์ยังไม่อัดสะดงพระพุทธเจ้าในโสธิยะ โคลนตอนใบใบนําย้ยาขาผ่านมาท่านก็มอบให้แห่มอบให้สิทธัตถะนั่งอยู่ตามโคนต้นโพแต่ต้นโพกับอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นก็คงจะเป็นรากโพขึ้นมาเพราะต้นโพมันมันรากลอยมันรากไปฝังลึกเนี่รากตามดินจะมากกว่าแต่รากลึกก็มีแต่ว่ารากตามลอยตามดินมากกว่าอย่างพวกเราเห็นต้นโพทั้งหลายกระปุ่มตะป่ํามันยื่นออกมาจากโคนต้นโพ แต น, ในี่นายโสธิยานำหญาคามาก็เห็นศิทธะนั่งอยู่ตามลําพังคงจะเห็นนั่งลําบากก็เลยมอบยา้าคาแปดกำมือแปดกามือน่ยคงจะเกียรลงไปในโคนต้นโพนั้นไม่เมื่อเกียร์ในโคนต้นโพเสร็จเรียบร้อยแลว่าเป็นอาสนะเป็นที่นั่งมียญ้าคารองนั่งจากนั้นพรธองค์ก็ขึ้นไปนั่ง ขัดสมาธิหันหน้าไปทางทิศตะวันออกขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้าค่อยๆม่ได้กระสับกระสายไม่ได้คิดไปทางอื่นเฉพาะหน้าคือกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกนะอันนี้คือกรรมาฐานที่พระพุทธ เ, เจ้าได้ตัดรู้ธรทำพวกเราให้ฟังเอาไว้ศึกษาเอาไว้ ถ้าท่านผู้ใดใครก็ตามที่ว่ากรรมฐานกําหนดลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นกรรมฐานอนอกรีบนอกลอยเลยว่าเป็นกรรมฐานไม่อยู่ในกรอบเป็นกรรมฐานที่ต่ำํำผู้นั้นแปลว่าอาจจะเป็นลูกน้องของเทวทัตมาพูดก็ไดเ้เราอย่าไปเชื่อเชื่ออย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้ทำเลยเราไปคนไน้นในตำรับตาราตรงไหนพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้อะไรทําไมจึงได้ตัดสู้ทม พระพุทธเจ้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกนะแต่ถ้าพวกเราไม่เชื่อในพระไตรปิฎกแล้วคนที่พูดนะ่ะเขาเอาอะไรมาพูดฮนะก็ต้องอ้างอิงถึงพระไตรปิฎกเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่อ้างอิงเนะี่ยคือพระไตรปิฎกอ่านะปฐมสมโพทธทิพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ทำนะท่านทําอย่างไรนะอันนี้เราอ้างอิงด้วยหลักเหตุผลอ้างอิงตามนะที่พระพุทธเจ้า เราก็เชื่อมั่นอย่างนั้นอีกต่างหาที่พระพุทธองค์ได้ตัดสู้ทำท่านนึกถึงสมัยเมื่อท่านเป็นสิท ธ, ธัตถะยังเป็นไปแรกนาขวัญกับพระบิดาท่านก็ยกถึงจุดนั้นไปอีกจากนั้นก็ท่านก็นําจุดนั้นมาวิเคราะห์ในขณะที่ท่านได้ตัดสู้อีกจากนั้นท่านกําหนดปฐมยามท่านก็ได้ตัดสู้ปุบเพนิวาสานุสติญาณและลึกชาติผลหลังได้ อันนี้คือระลึกชาติคนหลังคือตายแล้วไม่ศูนย์ตายแล้วเกิดอีกเป็นลําดับลําดับลําดับมาจนมาถึงขณะนี้เดี๋ยวนี้พราะพระพุทธเจ้ามีไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติเป็นเรียงลําดับมาโดยตลอดวิญญาณนั่นเนียกว่าวิญญาณเป็นนักท่องเที่ยวเกิดในภพภูมิต่างๆไม่รู้เท่าไหรต่อเท่าไร่เพราะฉะนั้นวิญญาณของมนุษยชาติเป็นนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสาร มากต่อมากนี่แหละอันนี้เอาปุปเพในวาสานุสติยานพระพุทธเจ้ารู้ได้ด้วยพระองค์เองคือสมาธิเมื่อสมาธิจิตเข้าสู่ความสงบแล้วเกิดญาณรัตจนาเกิดฌานและลึกชาติโหนหลังได้จากนั้นก็จุตูปปาตยานการจุติของสัตว์เมื่อถึงเที่ยงคืนจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบนิ่นเนงเข้าไปอีกจนถึงจุตูปะปาตยานการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลาย การเวียนว่ายตายเกิดของพัตธโสสารทั้งหลายพระธองค์ก็รู้อีกว่าสัตว์ตัวนี้บิญยานี้ตายจากนี้จากไหนมาเกิดมาเกิดที่มาเกิดทําไมด้วยผลอะไรด้วยผลบาปหรือผลบุญเขาได้ทํากรรมอันไหนเอาไว้เขาทํากรรมดีรกรรมชั่วที่มาเกิดตรงนี้ที่เขาได้รับกรรมเนี้ยที่ได้รับความทุกข์อยู่เดี๋ยวนี้เพราะกรรมตัวไหนที่เขาได้ทําในภพชาติไหนจึงได้มาสวอยอยู่เดี๋ยวนี้ ที่เขามีความสุขอยู่เดี๋ยวนี้เพราะบุญกุศลที่เขาได้ทําไว้ตรงไหนสมัยไหนเขาจึงได้มามีความสุขอยู่เดี๋ยวนี้เพราะพุระองค์รู้หมดทุกตัวที่ท่านพวก อ, องค์อยากจะรู้เรื่องอะไรรู้ได้หมดอันนี้ว่าจุตูปะปาแต่ยานการจุดติของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นมาอย่างไรเป็นไปอย่างไรอันนี้ก็พอจวนสว่างวันเดือน6กเนพนพระอาทิตย์จะขึ้นมา พระพุทธองค์ได้ตัดสัรู้ธรรมนะอาสาวกยกยานยานอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์ได้พิจารณาปฏิจจสมุปบาทว่าวิญญาณได้เกิดมาจากไหนอวิชชาปัจจะยาสร้างขาราปฏิจจสมุปบาทใจตรงนี้มาเกิดมาจากตัวอวิชชาคือตัวโง่ลุ่มหลงมัวเมาตัวตันหาอุปทานอยู่ตัวเนี้ยตัวหลงเนี่ยตัวหลงตัวอวิชชา เะนั้นพุทองค์พิราณาตัวอวิชาาาวชาปฏิยาอวิชชาปฏิยาสร้างฆารานี่ที่ดวงวิญญาณเกิดมาจากความหลงออกมาจากความหลงออกจากความหลงไหลไปเรื่อยจนถึงโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุที่เราเกิดมาเศร้าโศกร้องไห้พิไรรำพันทั้งหลายมาออกมาจากตัวไม่รู้ราคะเกิดมาจากตัวไม่รู้โทสะเกิดมาจากตัวไม่รู้ ถ้ารู้แล้วจะไปเกิดโทสะทาไมถ้ารู้แล้วจะไปเกิดราคะทาไมถ้ารู้แล้วจะไปโรธทำไมอันนี้ออกมาจากตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้เพราะนั้นพระพุทธองค์ได้พิจารณาตัวอวิชชากาจัดตัวความหลงออกจากภัยของพระองค์ความหลงออกจากภัยของพระองค์แล้วมีแต่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นขึ้นมาไม่มีอันไหนที่จะมาปิดบังความบริสุทธิ์ของพระองค์ได้อันนั้นเรียกว่า บริสุทธ์พุทธโธขึ้นมาตัดสรูรร้รำอาสาวกยะยานยานอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์ได้ตัดสรู้แล้วพบน้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วใจของพระองค์เป็นธรรมธาตุแล้วไม่มีไม่เป็นธาตุอย่างอื่นแนละเป็นธรรมธาตุธาตุที่เป็นธรรมไม่มีกิเลสเจื่อปนไม่มีกิเลสแอบแฝงในพระทัยของพระองค์แล้วอันนี้แหละพวกเราน่าศึกษาน่าสนใจในภาคปฏิบัติ ที่พระพุทธเจ้าพาดําเนินพาดําเนินมาอย่างไรตั้งแต่เบื้องต้นเดยว่านั่งขัดสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละจากนั้นพระพุทธองค์เห็นว่าอุปนิสัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นสาธุสิทธิ์ของพระ อ, องค์ว่ามีอุปนิสัยแปกแตกต่างกันบางคนก็มีนิสัยหนักไปทางไหนบ้างพระพุทธองค์ก็เลยบัญญัติวิธีการปฏิบัติให้แก่สาธาสิทธิ์ของพระ อ, องค์ จะมามีกรรมฐาน40สอย่างขึ้นมาสุดแท้แต่ใครจะเลือกเอาแขนงไหนถ้าใครเป็นบอดก็เลือกเทปฟี่มาฉันถ้าใครปวดท้องก็มาเลือกเอายาแก้ลดกดลดแก๊สมาฉันถ้าใครปวดหัวก็เอาพราซิตามอนมาฉันอย่างนั้นแหละถ้าใครเอาเป็นโรคผิวหนังเอายาแก้โรคผิวหนังมาใส่เห็นไหมถ้าใครเป็นกระดูกเอายาแก้กระดูกมากินอย่างนี้น อันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าบัญญัติกรรมฐานสี่สิบอย่างก็ให้สานุสิทธิ์ของพระองค์นํามาใช้นํามาพิจารณาถ้าว่าใครคนที่หนักเป็นทางราคะจริตคือรักสวยรักงามมีราคะท่วมท้นหัวใจไปที่ไหนมีแต่เกิดกรรมมากิเลยพระพทุทธเจ้าให้พิจารณาอสุภะนะให้พิจารณาร่างกายอย่างที่พวกเราท่านทัน้งหลายได้สวดเมื่อกี้เนี่ยอยังโคเมกา ย, ยนะูกายของเรามีอะไรบ้างจริงไหมฮะ ให้ถามตัวเองว่าร่างกายของเรายัางเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะไม่มีใครปฏิเสธว่าร่างกายของเราไม่ได้เต็มไปด้วยตับล้ำไส้อุจลปรปศะในร่างกายของเราไม่มีใครปฏิเสธจริงอย่างที่เราสวดทุกอย่างเมื่อกี้เนี่ยนี่แหละพราะพระพเจ้าให้เห็นให้พิจารณาอสุภะนำมาพิจารณาอสุภะถ้าจิตที่เป็นราคะจริตนะถ้ามีโทสะจริตก็ให้พิจารณาเมตตานะ อ, อย่างนี้่เป็นต้นนะเพราะนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำสั่งสอนกรรมฐาน40อย่างนั้นสำหรับอุปนิสัยสำหรับอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสมมาเนุทธบริษัทของีรของโปงให้นำมาคิดนำมาพิจารณาแต่ตรองทบทวนเหตุผลยึดแนวทางปฏิบัติที่พวกเราจะดำเนินต่อไปสรุปแล้วคือกรรมฐานใหญ่หญ่จริงๆที่พระพุทธเจ้า ว, วางาไว้ก็คือสติปัฏฐานสี่ อันนั้นคือคือแม่บทเป็นหลักจุดยืนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถึงลอยสัตว์ไหนอยู่ในโลกวัตตะเนี่ยถึงรอยสัตว์ไหนจะใหญ่ายายก็ตามก็ชู้ลอยช้างไม่ได้ลอยช้างใหญ่กว่ารอยทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ก็เหมือนกันทำทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าที่บัญญัติไปนั้นอยู่ในอริยสัจว์่เหมือนกับรอยช้างเป็นใหญ่กว่า ในเรื่องทั้งหลายทั้งปวงอะไรยัดสีคืออะไรทุกสมุทยัยนี้โรดมักเนีอันนี้ให้พิจารณาจากนั้นก็เป็นจุดหลอมเข้าไปแล้วกไหลไปสู่ไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายยึดแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้ถ้าว่าพวกเรายึดตามแนวแถวนี้แล้วพวกเราก็จะประสบความสุขความเย็นใจ การสบแสวงหาความสุขที่แท้จริงที่ได้กล่าวเบื้องตน้นนั่นแหละเราจะประสบความสำเร็จความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรความทุกข์นั้นคืออะไรมันอยู่ในใจดวงเดียวกันทั้งนั้นถ้าว่าเราคิดไปในทางที่ไม่ถูกถ้าคิดไปทางโมโหทงความโกรธเราก็ น, นึกโน้มน้าวเอาเรื่องที่เรากโกรธแต่ในข้ั้งก่นกน่อนใ น, นข้างไหนก็ข้าังไหนประดังเข้ามาเพื่อจะโกรธให้มันเต็มที่อีก เพื่อกระแทกลงไปเพื่อให้ค่าได้นะให้ค่าว่าใจของเรามีความโกรธประเดังประดังเข้ามาเราก็ทําอย่างนั้นได้ถ้ามีความรักขึ้นมาในจิตใจเราก็ ส, ส่องแสวงหาหรือว่าโน้มน้าวที่ความรักอยู่ที่ไหนตัวไหนมาเข้ามาหาใจของเราเพื่อให้เกิดการ ม, มากิเลตราคาขึ้นมาอย่างพอกผูนอย่างเต็มที่แล้วก็เกิดความรักขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันสรุปแล้วก็คือความหลงทั้งสองเงินทั้งโทสะทั้งราคะ ทังความโลภด้วยเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ไหนความสุขที่แท้จริงถ้าเราสกัดออกจากจิตใจของเราราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีออกไปจากจิตใจแล้วมรรมาสุขจะเกิดขึ้นในจิตใจของพวกเราอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านพาดําเนินมาความสุขที่แท้จริงไม่ต้องหาที่ไหนสรุปแล้วอยู่ที่ใจของเราความทุกข์ก็อยู่ที่ใจความสุขก็อยู่ที่ใจถ้าเราชําระใจให้บริสุทธิ์สะอาดแล้ว มรมสุก็อยู่ที่ใจของเราเพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะที่หลวงพ่อได้พูดกล่าวเบื้องต้นว่าวัดของเราเป็นอินเตอร์วันนี้ก็หลวงพ่อก็ได้พูดให้ฟังเป็นแนวทางว่าพวกเราทุ ก, ท, กทุกท่านที่สสแสวงหาทุกมุมโลกเกลียดทุกต้องการสุขนะเกลียดทุกต้องการสุข แล้วเราจะหาอย่างไรแต่นี้การสอบแสวงหาต่างคนก็ต่างตะเกียกตะกายสอบแสวงหาคนละทิศละทางบางคนก็อบายยมุกทุกอย่างทั้งดื่มสุราทั้งเล่นการพนันควบคนชั่วเกียรติค้านทําการงานอบายยมุกทุกอย่างรับทําหมดคิดว่าจะมีความสุขมาถึงจุดหนึ่งสิ่งเหล่านั้นผลสะท้อนย้อนกลับมาถาโถมเข้ามาหาความสุขไม่ได้ คนเล่นการบันันไปยังไงคนกินเหล้ามากไปยังไงคนเกียรติค้านทําการงานเป็นยังไงนี่สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วจะเป็นความทุกข์ที่จะเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราถ้าว่าพวกเราโสแสวงหาทรัพย์อย่างเดียวนั่นแหละคือความสุขในเมื่อได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วก็ระวังระวังว่าทรัพย์สมบัตินั้นใครจะฉกจะคดจะโกงจะเบียดจะบังพองเราไปบังผลในสุดมีแต่โสเสวงหาภาวะพรวงผลในสุดก็ถึงข่าวตายไป ทรัพสมบัติเหล่านั้นก็ทิ้งไว้ในโลกเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างอีกมีแต่ความทุกข์เมื่อจะพัดผักจากทรัพย์เหล่านั้นอันนี้ความสุขที่แ ท, ท, ท, ท้จริงเหรอไม่ใช่การดูแลสุขภาพร่างกายไม่ให้มีเจ็บไข้ได้ป่วยดูแลสุขภาพทุกสิ่งทุกอย่างดีที่สุดปนปือให้ดีที่สุดผลที่สุดร่างกายก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายไม่เป็นอย่างอื่น เป็นความสุขที่แท้จริงและยิ่งเป็นความทุกข์อีกเมื่อรักร่างกายแล้วร่างกายไม่ไปอย่างที่ใจของเราปรารถนาอันนี้ก็เป็นความทุกข์อีกมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้า ว, วางเอาไว้คือท่านวางเรื่องศีลธรรมไว้เป็นเบื้องตน้นตั้งแต่ทานะอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวทานะคือการเสียสละทําไมพระพุทธเจ้าจึงให้มีการให้ทานศีระทําไมพระพุทธเจ้าจึงให้รักษาศีล ภาวนาทำไมพระเทเจ้าจึงให้ภาวนาให้ดูใจของเราเพราะเรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกมาจากใจทั้งนั้นเรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะออกมาจากใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ก็นำไปคิดนำไปพิจารณาไตรตรองเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อพูดไม่ผิดกัแล้วกันฮะ พูดตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนหลวงพ่อก็เห็นด้วยอย่างร้อยเปอร์เซมีกี่เปอร์เซ็นต์เห็นด้วยทั้งนั้นที่นํามาพูดเนี่ยยืนยันในคําพูดว่าหลวงพ่อพูดไม่ผิดถาาว่าท่านผู้ใดก็ตามเห็นว่าหลวงพ่อผิดตรงไหนก็มาแย้งขึ้นมาได้ยินดีรับฟังเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่เป็นพุทธศาสนิกชนถึงจะอยู่ในหมุมโลกใดก็ตามอยู่ในครั้วโลกไหนก็ตาม ถ้าวันนั้มทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติมาขัดเกลากายวาจาใจของเราแล้วพวกเราจะเจอบรมมัสุขอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้ประสบมาแล้วแล้ต่อเ น, นี้ไปนั่งสมาธินาะทีนี้นะเนี่ยค่อยเลิกกันเอาเป็นดับไฟียก็ได้นะหรือไม่ดับก็ได้ไม่ต้องรับก็ได้นั่งเลยก็ได้คงจะไม่พานั่งนานในวันนี้นะนั่งเป็นแนวทางให้พวกเราได้ศึกษา เพราะการไม่นั่งซะเลยกด็ดูยังไงถ้านั่งอันนี้ก็ไม่ใช่นั่งเป็นจิตดารักษณะเป็นการศึกษาถ้าว่าตามลําพังของเราไปนั่งที่กุฏิต้องพยายามนั่งให้นานนะอันนั้นเอาจริงเอาจังอันนี้เป็นแค่ว่าสมมติว่านะการนั่งทดลองดูสมมติว่าเพราะว่าการนั่งในสาธารณะอย่างนี้จิตใจของเราถึงถึงยังไงยังไงมันก็ยังพิทตกกังวล ในคนนั้นคนนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้อยู่ที่เรามองเห็นที่เราไม่มองเห็นเราหลับตาก็จริงอยู่แต่ว่าเราก็เห็นอยู่ในต่อหน้าต่ตาแต่ถ้าว่าเราไปนั่งอยู่กุฏิของเราพยายามนั่งให้นานที่สุดดูใจแต่บางคนไม่เป็นอย่างนั้นกิเลสท่านนั่งต่อหน้าคนมากๆทําท่านนั่งดีแต่พอไปกลับถึงกุฏิของตัวเองนอนแผ่สองเสด็จไม่เอาไหนเลยอย่างนั้นก็มีนะ เพราะฉันจะให้กิเลสหลอกตนเองตุดยุ้นี่ก็ให้พยายามดูนะเอาต่อไปนั่งสมาธิที่นี่นะ